ก็จะเรินพรอยอดยุ่ยมนะหลวงพ่อก็เข้ามาฟังก็เห็นมีการออกความคิดความเห็นนะซึ่งก็เข้าใจเพราะว่า <c oughs> แต่ละคนแต่ละท่านเนาะข้อมูลความรู้ไม่เท่ากันนะก็ต้องพูดออกไปตามตามความเห็นของตน ตนมีความเห็นอย่างไรก็ก็พูดไปอย่างนั้นก็เป็นธรรมดาแต่หลวงพ่อก็บอกในภาพรวมกันแล้วกันว่าความคิดความเห็นนี่ก็คือสังขารเป็นสภาวะเป็นสภาพธรรมะเป็นสังขารปรุงแต่งการพูดก็เป็นสังขารความคิดก็เป็นสังขารการกระทำใดๆร่างกายที่เคลื่อนไหวก็เป็นสังขารหมายความว่าทำพูดคิดมันก็เป็นสังขาร เพราะนั้นสังขารมันก็ไม่มีกีดจำกัดเคยจะสังขารยังไงก็เมื่อยังไม่ตายนะมันก็สังขารได้เรื่อยตลอดทีนี้ทำยังไงให้มันเข้าถึงความไม่เป็นสังขารซึ่งมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านก็พูดชัดเจนว่าธรรมชาตินี้มันก็มีสองสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นสังขารสิ่งหนึ่งเป็นวิสังขารนะก็ท่าจะมองให้ภาพไอ้มันชัดมันก็มีสองประเภทนี่เองสังขารกับวิสังขาร สิ่งใดปรงแต่งได้สิ่งใดเคลื่อนไหวได้สิ่งใดกระดุกกระดิกได้สิ่งใดคิดได้พูดได้มีความรู้สึกได้อันนี้เป็นสังขารหมดสิ่งใดเป็นสังขารสิ่งนั้นต้องมีแล้วหมดไปหายไปนะสิ่งใดเป็นสังขารสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วก็ทําท่องปวงเป็นอนัตตาเอาสามตัวเนี้มาจับเลยนะเพื่อให้มันเข้าใจด้วยปัญญาที่ถูกต้องว่าสิ่งใดที่มันเป็นสังขารสิ่งนั้นต้องมีแล้วหมดไปหายไปสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วก็สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะ เป็นอนัตตาแต่ถ้าไม่เป็นสังขารวิสังขารมันเป็นยังไงวิสังขารก็คือความไม่ปรากฏความไม่เกิดเห็นไหมมันจะตรงกันข้ามเพราะได้สิ่งใดเกิดแล้วสิ่งใดปรากฏแล้วสิ่งนั้นเป็นสังขารทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่เราคุยกันให้ตายอ่ะไม่ว่าจะเอาเหตุผลอะไรมาอ้างล้วนแต่เป็นสังขารทั้งหมดยังไม่เข้าถึงวิสังขารจะเข้าถึงมันได้ยังไงก็เริ่มจากการรู้จักสังขานี่แหละ พอสังขารแต่เดิมมันไม่ปรากฏแล้วก็ต่อมาปรากฏปรากฏแล้วหมดไปง่ายๆเลยเสียงที่ได้ยินก่อนได้ยินมันก็ไม่ปรากฏว่ามีเสียงพอพูดออกไปมันก็เสียงดังก็ได้ยินเห็นไหมปรากฏแล้วก็เป็นสังขารแล้วอ่แล้วก็รูปรสกลิ่นเสียงอะไรก็แล้วแต่นะที่เราเรียนเรื่องอายตนะทั้งหมดเนี่ยรูปรสรูปรดกลิ่นเสียงสิ่งมากระทบแล้วก็ธรรมารมณ์ทั้งหลาย ก็เป็นสังขารหูตาจมูกลิ้นกายใจอายตนภายในก็เป็นสังขารการรับรู้เมื่ออายตนภายนอกภายนอกภายนอ ก, ภ า, นอกภายในกระทบกันเรียกว่าวิญญาณขันมันก็เป็นสังขารทุกวันนี้เรารู้จักอย่างดีก็รู้จักแค่สังขารแต่ไม่เคยเข้าถึงวิสังขารว่ามันคืออะไรเพราะวิสังขารไม่อาจจะคิดได้ว่ามันคืออะไรเพราะถ้าคิด คิดก็คือเป็นสังขารไปแล้วเห็นไหมเพราะนั้นคิดเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักเราว่าวิสังขารคืออะไรมันต้องเกิดจากปัญญาจากการพิจารณาเห็นเห็นว่าอ้อสิ่งนี้เกิดเกิดแล้วก็หมดไปเห็นไหมมันเกิดแล้วมันก็หมดไปตรงนี้เราจะรู้จักถ้าเกิดปัญญานะมันจ ะ, ฉะเฉลียวใจขึ้นมาว่าโอ้สิ่งเกิดเกิดแล้วก็หมดไปหมดเกิดแล้วก็หมดไปมันก็จะพบสภาวะ ความที่ไม่เกิดและไม่ดับนั่นคือ ว, วิสังขารลองดูดีๆสิเสียงเนี่ยเอาสมมติว่าหลวงพ่อจะยกตัวอย่างสักเรื่องเดียวเนี่ยก็คือเรื่องเสียงเนี่ยพอหลวงพ่อพูดมันก็มีเสียงใครก็รู้มีเสียงดังแล้วพอหลวงพ่อหยุดพูดเสียงก็หายไปพอพูดใหม่เสียงก็ดังพอหยุดพูดเสียงก็ดับไปเห็นไหมมันขณะมันเร็ว แต่อะไรล่ะเป็นพื้นเป็นแบ็กกราวอ่ะเป็นแบ็กกราวของความที่มันไม่ใช่เสียงก็มีอยู่ธรรมชาติอันนั้นแหละซึ่งมันมีอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีคนมาชี้บอกมันยากเหลือเกินที่จะรู้ว่าโอ้อธรรมชาติที่ไม่ใช่เสียงมันก็มีอยู่นะกลิ่นรสก็ทำนองเดียวกันนะเพราะนั้นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏธรรมชาติที่ไม่เกิดก็มีอยู่ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ตนเองนะ พิสูดได้ไม่มีใครเถียงได้เลยว่าธรรมชาตินั้นไม่มีเพราะมันรู้อยู่แก่ใจมันรู้อยู่ทีนี้ถ้าหลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจะนะที่เราพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าโกรธแล้วไม่สบายใจละเห็นไหมทุกคนรู้จักความโกรธก็เป็นสังขารความไม่สบายใจก็เป็นสังขารอันนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างแบบไม่ต้องเยอะนะเอาแค่ประมาณนี้เพื่อ เข้าใจสิ่งสองสิ่งนี้พอแล้วอย่างอื่นมันจะเข้าใจตามได้พูดถึงความโกรธตอนนี้ยังไม่โกรธทุกคนเข้าใจได้ว่าเออตอนนี้โกรธไม่มีเห็นไหมรู้ได้ว่าไม่มีความโกรธรู้ชัดรู้แจ้งว่าไม่มีความโกรธและต่อมาเมื่อมันโกรธก็รู้ได้ว่ า, าความโกรธมีแล้วแล้วก็อยู่ไปอยู่มาเอา้าก็รู้ได้อีกว่าความโกรธไม่มีแล้ว ตรงนี้หลวงพ่อจะชี้ให้เห็นว่าความโกรธมันก็เป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปมันเกิดมาจากตรงไหนละ่ะมันก็เกิดจากความไม่มีเพราะอยู่ๆเพราะมันไม่มีไงไม่มีความโกรธตรงนั้นแหละมันเป็นแบ็กกราวน์นะเป็นแบ็กกราวน์เป็นความไม่ปรากฏความโกรธแล้วก็ต่อมาความโกรธปรากฏขึ้นความโกรธก็ดับไปตรงเนี้ยก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องสังขารกับวิสังขารได้เลยว่าอ๋อวิสังขารคือความไม่ปรากฏเป็นความไม่เกิด แต่ความโกรธเป็นความปรากฏเป็นความเกิด <c oughs> สิ่งใดเกิดสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นหมดไปเป็นกฎตรรก์แน่นอนแต่สิ่งที่ไม่เกิดสิ่งนั้นย่อมไม่ไม่ดับไปนะสิ่งใดไม่ปรากฏสิ่งนั้นก็ย่อมไม่หมดไปเพราะว่ามันเป็นอมตะาธาตุเป็นเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของมันไม่ต้องสร้างไม่ต้องทําอะไรนะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วมีอย่างไม่ปรากฏมีอย่างไม่เกิดขึ้นตรงนั้นแหละมันเป็นสภาพธรรมชที่เรียกว่าเป็นอมตะ ส่วนความโกรธเป็นเป็นอมตะก็ไม่ใช่เป็นอมต ะ, เ ป, เ, ปมตะเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปตรงนี้ก็จะเข้าใจได้เลยว่าอ๋อธรรมชาตินี่มันก็มี2ประเภทนั่นเองคือสิ่งเกิดกับสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับง่ายๆนะแล้วการที่สังเกตที่ใจมันก็จะรู้ได้อยู่แล้วว่าโอ้มีจริงๆแต่การรู้ชั้นเนี้ยเขาเรียกว่ายังมีตัวเราเป็นผู้รู้อยู่ ทำไมหลวงพ่อจึงเรียกว่ามีเราเป็นผู้รู้ก็เพราะว่ายังมีอวิชชาอยู่มีอวิชชาก็คือเรารู้แล้วเราปฏิบัติธรรมนานเราเห็นใจลักษ์แล้วเราเห็นอาการของจิตเกิดดับแล้วเราเราเราอย่าลืมตรงนี้แหละคืออวิชชาตัวใหญ่ยังไปยึดถือการรู้การเห็นว่าเป็นเรารู้เราเห็นตรงนี้แหละหลวงพ่อจะโยงมาเรื่องของพระไตรบิฎกจริงๆรมันโยงได้ทุกเรื่อง ยมลองพิจารณาทบทวนถอยหลังดูนะเอาว่าเริ่มตั้งแต่เกิดก็แล้วกันไม่ต้องย้อนมากตั้งแต่เกิดเราเป็นเด็กทารกเนี่ยเรารู้อะไรไหมอะเรื่องตำราเรื่องหนังสือเรื่องกอไก่กอไข่เราไม่รู้สักอย่างเห็นไหมความรู้ในชาติชาติก่อนน้นถ้าสมมติเกิดเป็นคนมานะมันอาจเคยรู้เคยจําได้ <c oughs> แต่พอสังขารขาน่าดับไปแล้วเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเนี่ยที่มันดับไปแล้วมันก็ดับแล้วดับเลยนะแต่พอมาเกิดใหม่ มันก็จําอะไรไม่ได้แล้วจาอะไรไม่ได้ก็แต่เริ่มใหม่ก็กลับว่าไม่ได้รู้เรื่องพยัญชนะเลยไม่รู้เรื่องเรื่องพระไตรปิฎกเลยแต่พอมาโตขึ้นอ่าสนใจธรรมะสนใจธรรมะก็เอาตัวเรานี่แหละเอาขันห้าเนี่ยไปอ่านไปฟังไปพูดไปคิดไปสนทนาจนกระทั่งว่าไปพบพระไตรปิฎกแล้วก็ไปเรียนรู้มาเข้าใจมากเลยอ่านพระไตรปิฎกทั้งอ่านทั้งฟังคนนั้นบอกคนนี้บอกเข้าใจ แต่รวมหารู้ไหมว่าพระไตรปิฎกนะที่ปรากฏขึ้นมันก็เป็นสังขารตัวเราที่ <c oughs> ผู้ไปเรียนเนี่ยมันก็เป็นสังขารความรู้ความเข้าใจก็เป็นสังขารหมดเห็นไหมละ่ะมันยังเป็นยังไม่เป็นวิสังขารเลยอะ่ะยังเป็นสังขารแต่ด้วยอวิชชาไม่เห็นตัวเองไม่เห็นก็ เ, เรียกว่าไม่เห็นไม่รู้ว่าไปยึดถือสังขารไปยึดถือขนาน้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่คืออวิชชาตัวใหญ่แท้จริงเกิดมามันก็มี เป็นขันห้าเป็นแล้วใช่ไหมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นสังขารในเที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็ทําทั้งปวงทั้งเป็นสังขารและไม่ใช่สังขารเป็นอนัตตาแต่ด้วยเอาวิชาด้วยความไม่รู้ทั้งได้ยินทั้งได้อ่านได้ฟังมาแลว้วอ่านอะไรมาเยอะท่านบอกว่าอนัตตาอนัตตาฟังจนแบบเย็นจะฟังแต่ยังไม่หลุดพ้นจากความหลงผิดนี้ได้ก็ยังยึดอยู่ว่ามีเรา เราเป็นผู้ไปเรียนเราเป็นผู้รู้มากเราเป็นผู้รู้แจ้งเราเป็นผู้รู้ว่าอั น, นเนี้ยพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นคําของพระ เ, เจ้าเห็นไหมละ่ะสิ่งเหล่าเนี้มันได้ข้อมูลมาจากการได้ยินได้ฟังเขาว่าเกิดมาไม่ทันหรอกเขาว่าพอเขาว่าเสร็จแล้วเป็นไงก็ไปเชื่อเป็นตูกเป็นตาว่ามันมีอยู่จริงแท้จริงอะ่ะพวกเนี้ยมันมาทีหลังหมดเลยแต่เดิมพระไตรปิฎกก็ไม่มีผู้เขียนก็ไม่มี แต่เดิมนะยมต้องย้อนหลังไปนะว่าแต่เดิมเนี่ยไม่มีเป็นความว่างเปล่าแล้วก็มีพอมีเสร็จแล้วไอ้ตัวเราแต่เดิมก็ไม่มีแล้วพอมีอา้าวอันนี้มีก็เป็นสังขารทั้งโปรตีนบีโดกตัวเราก็เป็นสังขารแต่ก็ไปยึดเป็นตัวเป็นตาว่ามันเป็นสัจธรรมแท้มันแท้อะไรเราสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อ่ะมันก็ไม่แท้อยู่แล้วถ้าแท้จะต้องไม่สิ่งนั้นต้องต้องไม่ปรากฏสิ่งนั้นต้องไม่เกิดนั่นคือของแท้ เพราะนั้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นปรากฏมันก็เป็นของปลอมเป็นของเทียมแต่ด้วยความไม่รู้ไปยึดของเทียมว่าเป็นของจริงหลวงพ่อก็เลยมาชี้บอกว่าเออสิ่งนั้นมีอยู่นะก็ให้มันมีไปนะขาน่ามีอยู่ก็ให้มันมีของมันไปแต่อย่าหลงผิดว่ามันเป็นเรานะให้มันมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าไอ้ที่ปรากฏขึ้นเนี้ยมันเป็นสังขารนะมันเป็นทุกข์นะมันเป็นอนัตตานะนี่ตรงเนี้ต้องปัญญาเลย เพียนเพียนรู้อะไรก็ทุกลรหมายใจทุกเขาเรียกว่ามีสติกันแล้วกันจะเดินยืนนั่งนอนจะพูดจะคิดเนี่ยก็เห็นอยู่รู้อยู่ว่าสิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวกระดุกระดิกได้มีความคิดมีความเห็นมันก็เป็นสังขารสิ่งที่ไปรู้มาไปจํามามันก็เป็นสังขารใช่ไหมจําก็เป็นสัญญาก็เป็นความจำอ่าตําราก็เป็นสิ่งถูกเห็นอ่าก็เป็นสังขารปุงแต่งเป็นอายตนะภายนอกก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้แต่ล้วนแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นสังขารหมดเลย นะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องเรื่องสังขารว่าอย่างไงก็คือไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นทำทั้งปวงทำทั้งปวงเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะนี่พระพุทธเจ้าบอกเองนะปิดท้ายรายการเลยแบบอย่างย่อที่สุดอย่างสั้นที่สุดแล้วสัพเพธรมมนานังอภินิเวสายะเลยนะทำทั้งปวงบุคคลไม่ควรยึดถือล ย, ยึดมั่นถือมั่นก็แปลว่าอะไร ก็แปลว่ามันมีก็ม <uh ีไปสิแต่ไม่มีผู้ยึดอ่ามันก็มีอ้าวสุนทขัน่ามีแต่ไม่มีใครยึดพระไตรปิฎกมีแต่ไม่มีใครยึดอะไรที่มันมีมีมีทั้งหลายเนี่ยก็ไม่มีผู้ยึดแม้กระทั่งธรรมสูงสุดที่คนเขาแสวงหาเรียกว่านิพพานเมื่อไปพบแล้วก็ไม่ใช่ว่าให้ยึดเพียงแต่รู้จักแล้วว่าอ๋อการพ้นทุกข์นะการที่พ้นออกขันอ่าการที่พ้นออกสังขารพ้นจากความปรุงแต่ง พ้นไปแล้วเนี่ยเป็นวิสังขารแล้วเนี่ยมันเป็นพ้นทุกไปแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นนิพพานเมื่อรู้จักแล้วก็ไม่ได้แปลว่าไปยึดนิพพานมาเป็นของตนหรือว่าเราเป็นนิพพานหรือเราถึงนิพพานมันจะต้องเข้าใจให้ถูกตั้งแต่แรกว่ามันไม่มีเราหรอกมันมีแต่สาภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วหมดไปตัวความเป็นตัวตนเนี่ยไม่มีถาวรไม่มีจริงๆมีแค่สมมุติมีแค่ชั่วข่าวที่เขาเรียกสมมุติขึ้นมาว่าเออเป็นตัวเป็นตน ทีนี้ถ้ามีปัญญาแยกแยะสมมุติกับกับสัจธรรมแท้เนี่ยถ้ามีปัญญาตรงเนี้มันก็จะไม่หลงอะไรไม่หลงสมมุติไม่หลงไม่หลงสิ่งที่ไม่สมมุติอ่ะไม่หลงเพราะว่ามันเป็นปัญญาเพราะนั้นวิธีให้มีปัญญาเนี่ยทางลัดทางเดียวที่ไปได้ก็คือสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานเนี่ยคือรู้ตัวมีความรู้สึกตัวมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ตัวก็คือรู้กายรู้ใจ ถ้าขณะใดก็ตามพลาดไปคือลืมตัวไปนั่นแหละก็จะหลงหลงลืมไปแล้วก็หลงปุงแต่งแล้วก็ไม่รู้อีกกำลังพูดก็ไม่รู้ว่าพูดกำลังคิดก็ไม่รู้ว่ากำลังคิดกำลังมีอารมณ์อาการต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจไม่รู้อีกต่อให้มีความรู้มากมายก็เป็นเป็นหมันหมดเลยได้แต่ความจำแต่ความรู้จริงไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีเพราะนั้นเรื่องนี้มันต้องกลับมารู้ตัวขณะที่เราคุยนะ่ะ ขณะที่ออกความคิดความเห็นเนี่ยต้องรู้ตัวว่าใครล่ะกำลังพูดออกความคิดความเห็นก็คือตัวเรากลับมารู้ตัวเราเนี่ยตัวเราคำว่าเราในที่นี้หมายถึงว่าเป็นสัพพนามเรียกเพื่อใช้สื่อสารกันว่ากลับมารู้ตรงนี้นะรู้ตัวเราแต่ถ้าไม่มีภาษาสมมติเรียกก็ไม่รู้จะสื่อสารกันยังไงก็เลยใช้สมมติว่ากลับมารู้ตัวรู้ตัวใครรู้ตัวเรารู้ตัวเรา แต่ปัญหาของการปฏิบัติเนี่ยคือรู้ตัวเราไม่เป็นหนึ่งขาดสติเลยไม่รู้เลยสองพอจะรู้ตัวเราก็กลายเป็นว่าเอาเรามารู้เรามันไม่ได้รู้ด้วยสติสัมปชัญญะไม่ได้รู้ด้วยด้วยอ่ะไม่ได้รู้ด้วยสติปัญญาแต่มีแต่เอาตัวเรามารู้ตัวเรามารู้หลวงพ่อยกตัวอย่างอันนี้มันเป็นประสบการณ์ของหลวงพ่อทั้งหมดแต่เพิ่งมารู้ภายหลังว่าที่ผ่านมามันพลาด พลาดเพราะอะไรเพราะเอาวิชาเพราะไม่รู้พลาดตั้งแต่ว่าเอาอย่างย่อๆเนาะพลาดตั้งแต่ว่ามีตัวเราเป็นผู้มีทุกข์เกิดมาอายุสี่สิบกว่าเรามีทุกข์มากเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเหมือนกันตั้งแต่ไม่ติดใจไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ยังเป็นสุขยังอะไรอยู่แต่พอถึงจุดหนึ่งความรู้สึกว่าเรามีทุกข์เราคิดมากเรานอนไม่หลับเราหาทางออกจากทุกข์ก็เข้าหาธรรมะ ยังมีตัวเรานะเบื้องต้นนี่ยังมีตัวเราเป็นผู้ทุกมีตัวเราเข้าหาธรรมะมีตัวเราไปไปฟังธรรมมีตัวเราไปอ่านหนังสือมีตัวเราไปสนทนามีตัวเราเข้าคอร์สมีตัวเราเป็นผู้ไปเจริญสติอันเนี้ยมันมีตัวเราร้อยเอร์ซแต่ก็มีความเพียรเนาะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนบางอย่างเป็นที่น่าพอใจก็คือว่าเออตอนนี้เราทุกน้อยลงเรามีความสุขมากขึ้นยังมีเราเราเรา ก็หลงยินดีพอใจในกับอาการที่เกิดขึ้นจากผลจากการปฏิบัติว่าเราทุกข์น้อยลงแล้ว เ, ออเราดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราคงจะพ้นทุกข์อ่พ้นทุกข์อันนี้ก็ยังมีอวิชชาอยู่คือยังมีตัวเราเป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้นะสุดท้ายนูน่นต่อเมื่อได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ซึ่งเราเชื่อว่าท่านเก่งท่านบนรรลุธรรมแล้วท่านก็มาบอกเลยว่าเห็นไห ตลอดสายเลยที่ผ่านมาเนี่ยกี่ปีแล้วยังมีตัวเราหมดเลยแม้กระทั่งการเรียนดูจิตเห็นหมดแล้วอาการในจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นหมดแล้วรู้หมดแล้วแต่ลองดีๆมองดูดีๆลึกๆตีใครเป็นคนรู้เอา้ายังมีเราเป็นผู้รู้อยู่โธ่ยังไม่หลุดเลยคือถึงแม้ว่าทุกข์จะน้อยลงแต่ก็ยังมีตัวเราเป็นผู้รู้อยู่อย่างนี้ก็ยังไม่พ้นเพราะการที่จะ พนทุกได้จริงมันจะต้องไม่มีเราตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอนัตตาแต่ถ้ายังมีเราอยู่เรามีทุกน้อยเรามีทุกมากยังมีเราเราเราหรือว่าเรายังเราเนี่ยเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งอย่างนี้ไมยังไม่พ้นทุกยังไม่สมุดเฉดเสียทีเดียวเพราะว่ายังมีวิชายังหลงอยู่ยังหลงยึดขันห้ายังหลงหลงยึดอะไรบางอย่างอยู่ว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติอีก ทำยังไงให้รู้เราแบบไม่มีผู้รู้เราหลวงพ่อก็เลยมีวิธีเช็คคือก่อนจะหลวงพ่อจะเช็คคนอื่นหลวงพ่อโดนมาแล้วขอเล่าสําหรับผู้ใหม่พวกคนเก่าก็อาจจะได้ยินได้ฟังแล้วอาจารย์บอกว่าจริงๆสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในโลกเนี้ยมันเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏแต่ผู้เห็นไม่มียมลองดูนะประโยคอย่างเนี้ยมีแต่สิ่งที่ปรากฏแต่ผู้เห็นไม่มีทีนี้ หลวงพ่อก็ได้ยินคํานี้ขึ้นมาหลวงพ่อก็เอา้าขยายอยีกนิดหนึ่งท่านบอกว่าลองอย่างนี้สิลองดูสิไอนาฬิกาที่มันแขวนอยู่ที่ผ น, นัง่ในสก้าแขวนเนาะมันจะมีลูกตุ้มเวี่ยงไปเวี่ยงมาลูกตุ้มเบี่ยงไปเวี่ยงมาท่านบอกว่ามีแค่เนี้ยแต่ผู้เห็นไม่ไม่มีเอา้าทีนี้หลวงพ่อก็ฟังแล้วมันก็มันเถียงในใจสินี่ขณะปฏิบัติธรรมมานานเลยนะปฏิบัติธรรมมานานรู้ถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาแล้วนะ แต่ท so, ่านบอกว่ามันมีแต่ลูกตุ้มเวี่ยงไปเอียงมาแต่ผู้เห <processo> ็นไม่มีหลวงพ่อก็ไปยืนดูไปยืนดูแล้วมันก็เถียงเลยบอกไออาจารย์บอกว่ามันไม่มีผู้เห็นไม่มีผู้เห็นได้ไงในเมื่อหลวงพ่อเป็นคนยืนเห็นอยู่อ่ะเนี่ยหลวงพ่อยืนอยู่เนี่ยนาฬิกามันแขวนอยู่ตรงนู้นที่ผนังแต่หลวงพ่อยืนอยู่ตรงเนี้ยแต่หลวงพ่อเป็นคนเห็นไงแต่อาจารย์บอกว่าผู้เห็นไม่มี เอาละยืนไปดูไปดูมาดูไปอยู่มามันยังเถียงไม่หยุดแต่ก็ใช้ความเพียรอะดูดูนานๆหน่อยพอดูนานๆเนาะความรู้สึกหลวงพ่อคือตอนนั้นแล้วเพ่งไปที่นาฬิกาแล้วแหละตัวหลวงพ่อที่ยืนเนี่ยเพ่งแล้วทั้งผู้ดูทั้งผู้เพ่งทั้งผู้ยืนเนี่ยนะยืนเพ่งอยู่เนี่ยเพ่งพอเพ่งไปสักพักหนึ่งมันเกิดปิ๊งขึ้นมาเลยว่าโอ้ยไอตัวเราที่เป็นผู้ยืนดูนาฬิกาเนี่ย มันเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วตรงนี้โยมอาจจะไม่เข้าใจตัวเราที่เป็นผู้ยืนดูนาฬิกาเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกเห็นตอนแรกไอ้ตัวนี้เป็นผู้เห็นใช่ไหมเออมีตัวหลวงพ่อเป็นผู้เห็นแต่พอดูไปดูมาอ้าตัวหลวงพ่อที่ยืนอยู่ตรงนี้มันเป็นสิ่งถูกเห็นพอเป็นสิ่งถูกเห็นปั๊บมันปิ๊งขึ้นมาเลยว่าอ้าวมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มาเห็นหลวงพ่อธรรมชาติอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หลวงพ่อ ธรรมชาติอันนั้นเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากตัวหลวงพ่อแล้วตัวหลวงพ่อคือไขรตัวหลวงพ่อคือกันห้าทั้งตัวแต่ธรรมชาติที่เห็นมันไม่ปรากฏตัวมันไม่มีรูปพันธสันฐานไม่มีอาการกิริยาใดๆทั้งหมดมันก็มาเห็นหลวงพ่อตรงนี้หลวงข้าลวงพ่อเลยเข้าใจเลยว่าวที่อาจารย์บอกว่าสิ่งที่ปรากฏในโลกนี้มีแต่สิ่งถูกเห็น แต่ผู้เห็นไม่มีถูกต้องแล้วเพราะว่าหลวงพ่อกลายเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแต่ธรรมชาติที่เห็นหลวงพ่ออันนี้มันเข้าใจด้วยปัญญาเลยนะว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวเป็นธรรมชาติที่ไม่มีรูปพันสันฐานแล้วเป็นธรรมชาติที่ไม่เป็นผู้หมายความว่าไม่ได้เป็นผู้ใดไม่ได้เป็นผีไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมดเลยแต่เป็นสภาพธรรมะที่มีคุณสมบัติคือเห็น เป็นสภาพธรรมะมีคุณสมบัติคือเห็นอย่างเดียวไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างอื่นเลยเป็นคุณสมบัติเห็นแต่และก็ไม่มีคุณสมบัติที่เป็นสิ่งถูกเห็นได้ด้วยเพราะว่าธรรมชาติที่เห็นหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไปดูเอ้าก็มองไม่เห็นนะแต่มันก็เห็นเราอยู่อ่าเนี่ยใช้คำว่าเห็นเราหลวงพ่อไปมองดูที่ไหนมันก็ไม่เห็นมันแต่มันก็เห็นเราอยู่เรื่อยเลยมันเห็นเราตะพื้ตะพือไป พอเป็ like นอย่างนี้ก็เลยใช้วิธีแบบเพื่อให้ชํานาญในการที่จะรู้ตัวเองจะเดินเอาหัดเดินดูที่มันรู้เราได้ไหมโอ้มันก็รู้เราได้อีกหัดนั่งดูที่โอ้มันก็รู้เราได้อีกหัดคลานดูที่มันก็รู้เราได้อี ก, ห, อ ก, อ ก, ห, ก, อกหัดมุดมุดมุดมุดเข้าไปในที่แบบใต้โต๊ะใต้เตียงโอ้มันก็รู้เราอีกว่าตัวตตตตเรามุดออกเข้าไปห้องน้ํารู้เราอีกว่าเราอยู่ในห้องน้ําเราออกมามันก็รู้เราอีกว่าเราออกมาเรา เอาตัวเราอยู่ขนอกเ้้าน้ำคอโผล่เข้าไปทํางในเข้าน้ำโอ้มันก็รู้เราอีกเอาทีนี้เฮ้ยมันรู Ana, ้เราหมดเลยว่าจะทํา <uphill> ยังไงไม่ให <sm ack Gabriel> <st> <quelqu> ้รู้เรามันก็ทําไม่ได้เพราะมันรู้เราตลอดแล้วทีนี้ลองเช็คอย่างอื่นบ้างเช่นดูพุทหลวงพ่อจะเป็นหัดเรื่องของการฟังเสียงบ้างเนาะหัดฟังเสียงหมายความว่าเสียงนกร้องอยู่ตรงนู่นแล้วตัวหลวงพ่อเป็นผู้ฟังเสียงเอามันก็รู้เราอีกว่าหลวงพ่อเป็นผู้ฟังเสียงหัดไปหัดฟังหัดดูมันก็รู้เราหมด เอาทีนี้มาดูในรายละเอียดในทางจิตใจดิตัวเองทุปตัวเองตัวเราเนี่ยนะตัวเองพูดตัวเองภาพตัวเองบ่นตัวเองพรนนาตัวเองพูดทุกภาษามันรู้เราหมดเลยตรงนี้แหละมันเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าไอ้ธรรมชาติที่มันไม่เป็นอะไรเ่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวนะเป็นธรรมชาติที่พ้นจากความปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่พ้นจากตัวเราเนี่ยมันก็มีอยู่จริงคือธรรมชาติจะเรียกว่าธรรมชาติรู้ก็ได้นะจะเรียกว่าธรรมชาติเห็นก็ได้อันนี้เป็นคําสมมุติ ที่คนเขาสมมติขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่สมมติเราก็ไม่รู้จะสื่อสารกันยังไงก็เลยสมมติชื่อขึ้นมาว่าธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยโอมันเป็นธรรมชาติที่ที่มันพ้นไปจากทุกขแล้วอะไรคือทุก์ตัวเราคือขันห้าเป็นตัวทุก์ตัวเราเนี่ยเป็นขันห้าเลยทุกทั้งก้อนเลยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นตัวทุก แต่ธรรมชาติที่มันพ้นที่มันไม่ใช่เราอ่ะที่มันรู้เราเห็นเราเนี่ยธรรมชาติเนี้ยเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากทุกแล้วยังไงกี่นานกี่เดือนกี่ปีกี่เท่าไหร่แล้วแต่จะพูดมันไม่เคยทุกข์กับเรานะแล้วลองเทียบกันที่ว่าตัวเรามันเป็นยังไงตัวเราเป็นขันห้าชัดๆมีประกอบกันห้าขันเลยชัดๆเลยแล้วตัวเราเป็นไงเกิดแก่เจ็บตายไหมใช่เกิดแก่เจ็บตายแล้วธรรมชาติที่รู้เราที่เห็นเราอ่ะ มันพ้นไปจากตัวเรามันมันเกิดแก่เจ็บตายได้ไหมอ่ะพินาด้วยปัญญาเลยมันไม่มีทางที่จะเกิดแก่เจ็บตายเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดแค่เป็นอย่างนี้เลยรู้จักชัวเลยว่าทีนี้แหละนี่ไอความไม่ทุกเนี่ยคือต้องพ้นทุกแบบนี้การพ้นทุกขไม่ใช่ว่าเราต้องพ้นทุกข์ไม่ใช่ขันห้าต้องพ้นทุกแต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ที่รู้แจ้งต่อทุก แล้วก็ไม่ได้ยึดถือสิ่งใดที่เป็นทุกข์เพราะมันไม่ยึดอยู่แล้วมันไม่ยึดมันไม่ปล่อยมันไม่ได้ทําอะไรสักอย่างมันมีคุณสมบัติคือรู้อย่างเดียวจึงเป็นธรรมชาติที่พ้นไปแล้วแห่งจากความทุกข์จับหลักได้แค่นี้ก็เลยตอนเนี้มาเผยแผ่ธรรมะก็คือบอกญาติโยมอย่างเดียวคือรู้ตัวรู้ตัวคือมีสติสัมปชัญญะเลยหัดรู้ไปเลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยจะเดินจะนั่งไปนอนรู้แตพ่พฤติตะพือไปมันจะพูดจะคิดรู้แตพ่พฤติตะพือไป ตัวเราเนี่ยร่างกายจิตใจมันจะเป็นยังไงรู้แต่พื้นตะพือไปแค่เนี้ยก็เลยยืนหยัดอย่างมั่นคงเลยว่าโอ้นี่ไงสติปัฏฐานสูตรตรงที่ว่ามีสตินะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะมีสติรู้กายรู้ใจรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็คือแบบนี้เองที่ผ่านมามันหลงผิดคือเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเรามารู้กายเอาตัวเรามารู้เวทนาเอาตัวเรามารู้จิตเอาตัวเรามารู้ธรรมะ เป็นอวิชชาตัวเบิ้เริ่มท่ำเลยเมื่อเข้าใจอย่างนี้จึงรู้จักว่าอวิชชาก็คือความไม่รู้ไม่รู้อะไรคือไม่รู้ในกองสังไม่รู้ในกองขันห้าก็ได้ไม่รู้ในอายตนะไม่รู้อะไรทุกเรื่องอะแล้วก็เมื่อไม่รู้เนี่ยก็เลยไปยึดถือมาเป็นตัวเป็นตนอวิชชาถ้าพูดให้รวบลัดตัดความก็คือว่าไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เรา เพราะนั้นขณะจิตใดที่มันลืมไปมันหลงไปไม่รู้ความจริงตรงนั้นและเป็นอวิชาแต่ถ้าขณะใดจิตใดที่มันมีความตื่นรู้รู้อย่างถูกต้องแม่นยำนะสักแต่รู้แล้วก็ไม่มีความหลงผิดเลยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นวิชามันก็แค่นี้เองวิชากับวิชามันสลับคนคนละทีกันเพราะนั้นขณะใดที่มันหลงแล้วรู้ทันตรงนี้ก็ดับอวิชาเป็นวิชาขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามันหลงแล้วไม่รู้มันก็เป็นอวิชาแน่นอนก็เป็น สาเกิดใช่ไหมสายเกิดก็อย่างที่โยมเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเออแต่ถ้ามีวิชาเมื่อไหร่มันก็เป็นดับหัวขบวนก็คือดับตั้งแต่สังขารดับไปเป็นต้นไปคือไม่ได้หลวงยึดว่าอะไรเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเลยงั้นที่หลวงพ่อแสดงทำมาก็เพียงเพียงเพียงแต่บอกทั้งประสบการณ์แล้วก็มาโยงกับซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงในเรื่องออสติมาหาสติปฐานสูตรว่าเรื่องนี้โอเค เมื่อปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ลองมาเทียบกันดูสิมันไปกันได้ไหมมันลงตัวกันได้ไหมอา้าวลงตัวไม่ผิดตรงไหนเลยแต่คําพูดอาจจะผิดไปบ้างเพราะมันเป็นคําสมมุตินะอะไรต่างๆเป็นคําสมมุติหมดแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยปัญญาว่าอา๋อถ้าพูดอย่างเนี้มันก็คือเรื่องเดียวกันแต่ภาษาสมมุติอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็คว้าเขาไว้นะไม่ว่าเราจะเข้าห้องสนทนาห้องไหนก็ตามอย่างน้อยต้องให้มีสติ นำหน้าเลยขณะพูดก็กรู้รู้รู้ตัวขณะคิดในใจที่ยังไม่พูดก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกก็รู้ไปฝึกรู้อย่างนี้เพราะมันเป็นพื้นฐานของจุดเริ่มต้นถ้าพื้นฐานไม่ดีนะสติไม่มีมันก็ศีลสมาธิปัญญาก็ย่อมไม่เกิดถ้ามีสตินะสติตัวเดียวนี่แหละก็จะได้ เป็นเอตปัจจัยทำให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาตามมาแล้วก็มีอื่นๆตามมามากมายสุดท้ายก็คือหลุดพ้นไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกนี้นะไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยนะก็หลวงพ่อก็พูดมาตามสมควร